ดูแลยังไม่พก็ต้องฝึกด้วยร่างกายของเราเนี่ยแต่ก่อนก็คนดูแลก็เป็นพ่อเป็นแมนะ่ตอนที่เรายังเล็กพ่อแม่คุยตยายไม่ได้ดูแลอย่างเดียวเขาฝึกด้วยนะฝึกกายของเราเช่นฝึกให้รู้จกัก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 หรือว่าโดยเพราะการออกกําลังกายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องการนะการการใช้แรงออกกำลังกายด้วยการยกน้ําหนักออกกําลังกายด้วยการาแบกของเพื่อทำให้กล้ามเนื้อนแข็งแรงใจนี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องดูแลก็ต้องฝึกนี่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 นนคิดไปโ น, น่นคิดไปนี่และคิดแปลงนี้ไม่พอจะ ไ, ไปแบกด้วยเนี่ยคิดเรื่องแล้วก็ตามก็จะแบกเอาไว้คือปรุงไปเรื่อยๆกายนี่เวลาเจอเจอของแหลมเจอไฟ เ, เจอน้ำร้อนเนี่ยพอถูกปุ๊บนี่สมมติถูกได้มือมือไปถูก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 ความร้อนเผาเช่นโทสะความโกรธหรือความเจ็บมันจดจ่อยนะมันจมมันไม่ยอมดึงออกมาถอนตัวมาจากไฟโทสะเข้าไปคุกคลีคุกเครา้าเข้าไปไปคลอเคลียอยู่กับไ้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 ก็ให้ใจมาอยู่ลมหายใจไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องไหลไปลอยไปอดีตอนาคตแต่ก็รู้กันโดยทั่วไปว่าใจมันก็ไม่ยอมอยู่เวลาห ย, ยกมือสร้างจังหวะนะกายมันก็เคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจมันไม่ยอมไม่ยอมอยู่กับกายมันก็ไปของมันนะแต่ยิ่งมันไปนะเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งต้องจำเป็นต้องฝึกมันให้อยู่นิ่งๆนะี่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 เต็จใจมันไม่มันไม่ยอมอยู่เฉยมันก็มันจะพลอยแ บ, บกเขาด้วยนะแบกบความทุกข์ไปด้วยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นพระชาว อ, อเมริกันไงเป็นนักบวชเซนเราถึงอาจารย์ของอาจารย์คนนึงชื่อชุนริวสุสุกนะินี่คนนี้ดังมากนะไปสร้างวัด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 รู้สึกวแปลกใจอาจารย์ทําได้ยังไงทั้งวันถาธรรมธัมอาจารย์ทําได้ทั้งวันอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่รู้สึกนี่งงเลยพักอะไรเห็นเงื่อนอาจารย์รยทำอาจารย์ทำงานก็จริงนะแต่ว่าใจมันได้พักตลอดเวลาที่ขนหินขนไม้ก็ขนแต่กายแต่ใจพัก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 ปวดอัดขัดเคืองความปวดความเมื่อยเนะี่ยแบกก็ด้วยซึ่งมันก็น่าแปลกนะเพราะว่ายิ่งแบกนะมันก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าใจมันก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีจริงการปฏิบัติทางการทำงานก็เหมือนกันนะคือว่ากายทำอะไรก็ทำไป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 เมื่อคนที่แบกก้อนหินเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินหนักมากหนักจริงๆเสร็จแล้วก็ไปบน่นไปโทษก้อนหินว่าทำไมมันหนักนี่วะแต่ไม่เคยถามเลยแล้วฉันแบกมันทําไมยได้แต่บ่นได้แต่โทษก้อนหินว่าก้นอนหินมันหนักเว้ยหนักจริงๆแต่ไม่เคยถามตัวลแล้วแล้ว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 แกก็มีอาการประเภทกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะใจวิววิวนะเวลาคิดเรื่อ ง, องัวเนี้ที่ถึงเรื่องที่เสียเงินจากการจากการเล่นหุ้นนะไม่รู้ทำไงนะที่จริงอดีตเนียก็ผ่านไปแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้จะคิดถึงมันทำไมอนาคตก็ยังไม่มายังมาไม่ถึงนะ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 ที่ยังอดีตไม่ทำให้ทุกงนะแต่ประวางใจไม่เป็นเนี่ยเช่นไปยึดมันไปแบ่งมันอดีตนี้ถ้าเรารู้จักหาบทเรียนจากมันนะมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราใคร่ควรพิจารนามันโอ้มันให้ประโยชน์เยอะเลยถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นขาดทุนเนี่ยหุ้นขาดทุนเพราะุณเนี่ย หรือว่าคนรับตายจากหรือว่าทำงานล้มเหลวเป็นเหตุการณ์ที่ทางพระหรือว่าอนิจจารม tourism, ไม่น่าพอใจแต่มันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าว่าเรารู้จักพิจพรารณาเอามาเป็นบทเรียนมันจะทุกข์ก็ต่ตเมื่อไปเกี่ยวข้งของกับมันไม่ถูกต้องเช่นไปคิดถึงด้วยความอาลัยคิดถึงด้วยความเศรา้าโศกก็คือไม่ได้ใช้สติในการ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 ตายก็โทษตัวเองว่าเป็นทาเป็นเหตุหเขาตา ย, ยคิดทีแล้วก็เจ็บปวดทุกทีแล้วก็อยากจะลืมอยากจะลืมมันที่จริงถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกนะไม่จำเป็นต้องลืมเกี่ยวข้องกับมันถูกด้วยการหาบทเรียนจากมันเออมันสอนใจแล้วมันสอนเห็ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยเนี่ย พอคิดได้แบบนี้เนี่ยเวลานึกถึงมันอีกนึกถึงทีายใจก็ไม่ทุกขนะ์นะไม่เวลาไปบอกว่าอดีตมันทําให้เราทุกข์เนี่ยมันไม่จริงนะอดีตมันไม่ทําให้เราทุกข์แต่เราเกี่ยวข้องกับอดีตไม่เป็นตงังหงาเสียงไม่ทําให้เราทุกข์ไม่ทําให้เราหงุดหงิดนะแต่เป็นเพราะเราเกี่ยวข้องกับเสียงไม่เป็นนีมันก็เลยทุกขนะ์ห็นมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์นะ ถ้าเราไม่ไปแบกมันนะถ้าเรานั่งแทนที่เราจะแบกหินเรานั่งบนหินนะโอ้สบายนะียนั่นจะไปโทษหินทําให้เราทุกข์ไม่ได้นะแต่เป็นเพราะเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็คือไปแบกมันเอาไว้ปัญหาก็ไม่ทําให้เราทุกข์นะอย่างที่มีคนมีคนเพื่อปัญหามีไว้แก้ไม่ได้อมีไว้กลุ้มเนะี่ย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 ตลัมาเรื่องที่ผู้หญิงคนที่เขามีความทุกข์นะกับเรื่องเสียเงินพ่อหุ้นแล้วก็กังวลกลับอนาคตไม่ถึงนะก็บอกเขาว่านี่คนเราเนี่ยถ้าถ้าจะเสียนะพ่คุณจะเสียอย่างเดียวนะก็คือเสียเงินนะั่นแต่ว่าอย่าปล่อยใจให้เสียเพราะถ้าปล่อยใจให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียสุขภาพอย่างผี้หญิงนนี้กินไม่ได้เนอะไม่หลับแล้ว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 แย่ลงไปเพราะว่าเงินเก็บก็น้อยลงเพราะออกจากงานก่อนกเกษียณแล้วนะคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะถ้าเขาเสียเงินก็จะก็จะปล่อยให้เงินก็จะปล่อยให้มันเสียแตงเงินแต่ว่าใจไม่เสียนะสุขภาพไม่เสียงานไม่เสียแต่ว่าพอไม่รักตัวเองต่างหากถึงว่าปล่อยให้มันเสียไปรันนระันนาไป็นหมด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 พอนึกถึงเรื่องอนาคตกังวลนะว่าเราอยุเจ็ดสิบแปดสิบจะอยู่ยังไงกับเงินเจ็บแค่นี้พอรู้ปุ๊บวางมันจะคิดไปทำไมต้องยี่สิบปีข้างหน้านะตอนนี้ก็ยังไม่หกสิบเนะี่ยคิดไปถึงแปดสิบแล้วและคิดไม่ใช่คิดในการไข้ควรนะเพื่อวางแผนนะคิดแต่เป็นการคิดเพื่อ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 อยู่ที่ว่าคิดอย่างไรในลักษณะใดอดีตก็ถ้าเรามองเพื่อวางแผน <c oughs> นะอันนี้ดีเพื่อประเมินหรือเพื่อสรุป บ, บทเรียนเอา บ, บทเรียนในอดีตมาใช้ใ น, ในการวางแผนอนาคตอันนี้ดีที่จย่างพุเจ้าก็สอนให้คิดถึงอนาคตอยู่เรื่อ ย, อยนะฉะนันนึกถึงความตาย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 ถึงตอนนั้นก็จะลำบากเพราะฉะนั้นต้องทำความเพียรแต่วันนี้วันนี้บ้า น, านเมืองยังสมยงังผู้คนยังมีความสมัคคีกันบ้านเมืองมีความสงบราบรื่นแต่วันหน้าอาจจะวุ่นวายผู้คนทะเลาะบอแว้งกันเกิดสึกสงครามถึงตอนนั้นก็ทำความเพียรลำบากเพฉะนั้ทำความเลียรแตาวันนี้วันนี้มูสงอย่างสามัคคีกัน แต่วันหน้าก็อาจจะทะเลาะอบแววงกันถึงตอนนั้นก็จะทำความเพียรได้ลำบากเพราะฉะนั้นที่ทำความเพียรที่แต่วันนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องอนาคต ภ, ภายห้าประการครนะูจ้าก็สอนนะว่าให้เราลึกถึงภายในอนาคตเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้ตกกังวลแต่เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นทำความเพียรที่แต่วันนีน้อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าเวลาให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 อันนี้ก็ทําให้ใจมันต่อต้านเนี่ยยิ่งไปบงังคับมันยิ่งต่อต้านกลัมไม่อยู่แล้วว้ยกลายมันคุกนะกลายไม่ใช่บ้านต่อไปแล้วใครที่มันทํากับรูปแบบนั้นเนี่ยรนะูปหนี้ออกไปข้างนอกบ้านก็ไปลากคอมันออกมาเขียมตีมันนะเด็กก็จะรู้สึกบ้านี่เป็นคุกบ้านนีะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านต่อไปแล้ว้าทางนี้อย่างเดียว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 กลับมาอยู่กับกายกลับมาบ้านใจมันก็เนื่องอย่างมันเหมือนก็เด็กใจแตกวก็ต้องหาทางให้อยู่นิ่งๆไมาอยู่ก็จะไปนู่นไป น, น, นี่ก็ไม่เป็นไรนะเราใช้ความอดทนเหมือนกับแม่ที่อดทนกับลูกก็ไปเรียกมาไม่ต้องถึงกับไปลากคอมานะไม่ต้องถึงกับไปไปลงโทษเขาเพายายามติเกลี่ยกล่อมตล่อมให้มาอยู่กับกาย เหมือนกับว่าตลอมเด็กให้มาอยู่กับบ้านเมื่อเด็กเขามาบ้านแล้วสึขเออได้พักผ่อนมันสบายมีข้อสวับ้านเป็นเป็นที่ที่เขามีสระจะออกไปไหนก็ได้จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเขารู้สึกวันนี้เขาก็อยากจะกลับบ้านเพราะข้สวัว่านี้คือบ้านแต่ทําให้บ้านเป็นคุกเมื่อไหร่เนี่ยนะคือออกไม่ได้ก็จะยิ่งพยายามแหกคุกมากขึ้นจิตก็เหมือนกันนะทําทํากายเป็นบ้านนะมันก็อยากจะมา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 อยากจะอยู่นอกคุกมากกว่าวิธีการฝึกจิตมันต้องใช้วิธีการที่ฉลาดอ่อนโยนนุ่มนวลนะแต่จุดหมายปลายทางคือทำให้เขารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักอยู่นิ่งนิ่งรู้จักเป็นเกลือกกายนะกายทำอะไรใจก็อยู่กับกายไปด้วยใจไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่กับกายให้กาย มันทำโน่นทำนี่ไปนะล้างจานขับรถขนะหินกายทำอะไรไปใจก็แค่ดูแค่อยู่กับกายแค่นั้นแหละมันน่าจะสบายนะเพราะว่ามันใจไม่ต้องทำอะไรแค่ดูอยู่เป็นเพื่อนกายแต่ทำไมคนเราชอบทำง่ายเป็นยากก็ไม่รู้แทนที่ใจมันจะอยู่ดูเฉยๆมันก็ไปดันไปแบกโน่นแบกบ น, น, แบบ น, น, บบนี่กับเขาด้วย กับกายด้วยมันก็เลยเหนื่อยไงเวลากายเจ็บกายปวดกายเมื่อยแทนที่ใจจะดูอยู่เฉยดันไปเจ็บไปปวดไปเมื่อยกับกายด้วยไม่รู้มันอย่างนี้งโง่หรือฉลาดเนยะเวลากายเจ็บกายปวดเออก็ใจก็ดูไปนอยู่เป็นเพื่อนแค่นั้นก็พอไม่ไม่ต้องไปแบกเอา ความทุกข์ของกายความเจ็บความป่วยความไม่องกายมาเป็นของกูแต่นี่คือสิ่งที่ใจทําเป็นประจําเวลาไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเนี่ยคนดูแลไม่มันต้องต้องไปเอาความเจ็บความป่วยของคนไข้ามาเป็นของตัวหรอกพอแค่ดูแลนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าใจมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมันจะซ้ําเติมตัวเอง หาเอาปัญหาเอาภาระมาใส่ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัว เ, เพราะความหลงแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่มารู้ตัวนะั้นมันตั ว, วางมันก็จะอยู่เป็นเพื่อนกายนะแต่ว่าจะไม่แบกไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนี่เราฝึกใจแบบนี้แหลนะ หลักมันมีแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเป็นรูปแบบจะตามลมหายใจจะเดินจะจะนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรูปแบบตาบแล้วที่เป็นการเจริญสติเนี่ยมันก็เบสิกหรือพื้นฐานก็คืออันนี้มันก็มีขั้นตอนต่อไปแต่ว่าต้องผ่านพื้นฐานตรงนี้ให้ได้